ตอนอริยศัต์สีก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีแต่หละมิตรทุกคนเป็นปกติทุกๆวันเสารวันนี้พระครูก็ไม่ต้องพิจารณาว่าจะพูดอะไรเพราะมีคนเขียนให้แล้วว่าจะถามอะไรเนาะก็ก่อนจะตอบคำถามนะวันนี้ก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาจากอเมริกาเนาะ ก็เป็นญาติธรรมเราขอน้อมจิตกราบแทบเท้าพ่อครูด้วยความเคารพนบนอบและลำลึกในพระคุณอย่างสูงสุดค่ะหนูกราบขอขมาพ่อครูล่วงหน้านะคะหากใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมประการใดขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพ่อครูที่ได้มอบความเมตตากรุณาไม่มีประมาณให้แก่คุณแม่ หนูและครอบครัวด้วยความเมตตากรุณาไม่มีประมาณของพ่อครูที่มอบให้ได้เป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงที่ช่วยให้คุณแม่และหนูได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปสำหรับหนูพ่อครูได้เป็นแบบอย่างของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ภาษาจะบรรยายได้ความเมตตากรุณาไม่มีประมาณ ที่พ่อครูในมอบให้ได้เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมของหนูทำให้เห็นว่ามรรคผลนิพพานเป็นไปได้สำหรับคุณแม่และหนูในปัจจุบันชาติค่ะขออนุญาตกราบเรียนให้พ่อครูทราบเรื่องการปฏิบัติธรรมของคุณแม่นะคะได้พาคุณแม่มาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้ว2013 หลังจากที่คุณแม่กลับจากศูนย์แล้วหนูได้ช่วยคุณแม่ให้ปฏิบัติเองที่บ้านวันละสามรอบค่ะปัจจุบันนี้คุณแม่ปฏิบัติเองวันละสี่รอบค่ะสุขภาพคุณแม่แข็งแรงขึ้นความกังวลเรื่องคุณแม่ของหนูลดลงค่ะเรื่องราวชีวิตของคุณแม่พ่อครูอามาสมจิต ได้เป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจให้หนูเห็นว่าคุณแม่หนูก็เริ่มต้นไม่สายเกินค่าในขณะนี้หนูยังไม่สามารถทดแทนเพราะคุณพ่อครูได้แต่ประการใดเห็นว่าการทดแทนคุณของคุณแม่และหนูอย่างดีที่สุดแต่พ่อครูก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องช่วงเวลาที่เหลือ อยู่ของคุณแม่หนูปรารถนาที่จะให้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคุณแม่ให้มากที่สุดค่ะเพื่อให้คุณแม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็ววันค่ะขอน้อมจิตกราบแทบเท้าพ่อครูที่เมตตาช่วยยกจิตหนูยามท้อแท้ช่วงระยะเวลาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ขอกราบเรียนให้พ่อครูทราบว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ของพ่อครูได้เปลี่ยนจิตผู้ปฏิบัติแล้วอย่างน้อย สองดวงขึ้นไปค่ะด้วยความเมตตาของพ่อครูคําสอนหลายๆอย่างขนาดนี้ได้เข้าจิตเข้าใจแล้วค่ะสุดท้ายนี้กรรมใดที่ก็ตามที่หนูและคุณแม่และครอบครัวได้ร่วมเกินพรอครูไว้ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีโดยใจก็ดีโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ หนูทั้งหลายกราบขอขมาและเอาโหสิกรรมต่อกรรมที่ได้ล่วงเกินไปแล้วนั้นขอพ่อครูได้โปรดเอาโหสิกรรมให้ด้วยเถิดน้อมจิตกราบแทบเท้าพ่อครูด้วยความเคารพ น, นอบน้อมอย่างสูงสุดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามใครรู้ไหมว่าใคร ภาษานี่นะถ้าคนคือเคยอยู่ปีก่อนที่เขามาเนี่ยเราต้องรู้นะเขาส่งจดหมายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาแล้วก็พร้อมทั้งถุงเท้านะเขาก็มีเขียน อ, อ, อะไรล่ะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าเขาไม่หลงชื่อเพราะกูก็ไม่รู้ว่าใครวันนี้ส่งมาอีกก็เป็นถุงเท้าอีกกับรองเท้า มาให้พ่อครูด้วยแล้วก็เขียนคนที่ตอนอยู่ที่ครัวะทุกวันที่ เ, เราจะเลี้ยงพระเพนพอพระภิกษุท่านพิจารณาอาหารแล้วเนี่ยท่านเดินออกมาจากครัวคนคนนี้จะไปนั่งกราบอยู่อยู่หน้าประตูคุณน้อยนะก็เขาตั้งใจ นะตอนนี้คุณแม่เขาอยู่นะคนปรปฐมปฏิบัติวันหนึ่งสี่เวลานะคุณแม่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นจดหมายแจ้งเหตุนะเพราะครูก็มีหน้าที่แจ้งที่ประชมุมก็คำถามที่หนึ่งอันนี้เพิ่งได้รับตอนเย็นนี้นะมีคำถามว่าพยายามจะหาเวลาปฏิบัติแต่มีเวลาน้อยมาก จำเป็นต้องทำสี่ขั้นตอนทุกวันหรือเปล่าคะถ้าทำที่บ้านคำตอบคือไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นก็คือพวกครูให้ก็อคิดวิถีชีวิตเราอยู่ที่บ้านยังไงก็ช่างตื่นช้ามาต้องเข้าห้องน้ำนะก็ยืนเช็คกิ้งสักห้านาทีเจ็ดนาทีพอลนะนะคือภาษาอังกฤษบอกเวกอัพ คือปลุกเหมือนเหมือนสุนัขอะมันมั น, ม, นมันนอนานานๆลุกขึ้นมามันก็สั่นนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่เรานอนทับตัวเอง่ตลอดคืนนะผ่อนคลายมันแล้วก็ปลุกปลุกจิตเราตื่นไอ้คำว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นกำลังของจิตนะปลุกกาลังเหล่านี้ตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำหน้าที่ทั้ ง, งวันนะตอนเย็นอาบน้าเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมอาบจิตนะ นั่งเวียงนะนั่งเวียงนะวันหนึ่งยี่สิบสมสิบนาทีหรือมีเวลาชั่วโมงหนึ่งก็ยิ่งดีเราไม่มีเวลามาทำอย่างนี้หรอกวิถีชีวิตเราต้องทำหน้าที่ทำงานนะเนาะเพียแต่ว่าช่วงที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยบางคนยังบอกพระครูนะยางคนเขามาเข้าค่ายเขาบอกทิ้งช่วงเวลานานไปนะจากช่วงปฏิบัติตอนเช้าเก้าโมงถึงสิบโมงแล้วก็ทิ้งไปเลยถึงบ่ายสองอะไรนะ คือเขามาก็ต้องการอยากปฏิบัติมากๆนะแต่ทีนี้เขาไม่รู้ว่าพวกเราปฏิบัติที่นี่ทุกวันมันเป็นยังไงก็มีช่วงเวลาไปทำกิจกรรมส่วนตัวหรือว่ า, อ, าอะไรบ้างก็แค่นี้ก็พอดีละขอให้อย่าขาดแต่และช่วงเนี่ยนะก็ทำเท่าที่เราทำได้นะไม่ต้องพิถีพิถันมาต้องเอาเต็มสี่ขั้นตอนตอนนี้กลับไปทำงานแล้ว แต่ทําไมยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาพูดด้วยตลอดเวลาอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เวลาปฏิบัติแต่เป็นเวลาทํางานแต่แต่ได้ยินเสียงนั้นตลอดเวลาอันนี้ที่ทั้งในท่านในวงการแพทย์ก็บอกหูแว่วนะที่นี้บางครั้ง บางทีเรานอนหลับสนิทเลยล่ะแต่เราฝันว่ามีผีมาบอกผสมยานั้นผสมยานี้สมุนไพรนะแล้วก็ไปลองทำดูมันได้ผลจริงๆนะบางทีไม่ใช่ผีที่ไหนเป็นจิตเดิมเราภาคหนึ่งนะบางทีตอนนี้เรามีสองคนในตัวเราคุยกันจริงๆเราไม่ใช่สองนะมีเยอะมากมีเยอะมากอยู่ที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ภาคไหนที่เขาจะลุกขึ้นมาทาหน้าที่เพียงแต่ว่า อาการตรงนี้ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเนาะสักแต่ว่าได้ยินนะไม่ต้องไปรู้ว่าใครพูดหรือพูดเพราะอะไรสักแต่ว่าได้ยินนะอย่าไปให้นัยยะไม่ให้ความสําคัญมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ผ่านไปเนาะปฏิบัติอยู่ที่บ้านตอนแรกคิดว่า ตัวรู้สึกอยากทำอะไรต้องทำแบบจิตสั่งกายทำห้ามฝืนก็เลยลุกขึ้นมาหมุนทั้งที่รู้ว่าสถานที่ไม่พร้อมก็หมุนแบบกลัวๆแล้วก็อาเจียนอยากถามบ้า ควรจะหมุนหรือควรที่จะฝืนคะทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าสถานที่ไม่เหมาะสมแล้วเราก็ไปทำตามมันนะอันนี้คำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ เ, ออเราต้องรู้กาลเทศะว่าเวลาไหนควรหมุนเวลาไหนควรไม่หมุนเวลาไหนควรจะทำอะไรชีวิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเราถามจิตเนี่ยมันต้องการปลดปล่อยตัวเองเหลือเกินมันไม่อยากหยุดด้วย นะแต่ที่นี้เราต้องรู้กลาลเทศะเราเวลาน้านวั น, นมันเหมาะไหมเห็นไหมควรไหมนะมันอันตรายไหมนะเราต้องมีสตินะก็การปฏิบัติธรรมคือการกระทำตามธรรมชาติไม่เนื่องด้วยกิเลสไม่เนื่องด้วยกิเลสเราต้องฝืนกิเลสเราที่นี้กิเลสอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่ากิเลส อยู่ข้างในเราเรียกว่าอนุสัยของจิตอนุัยจิตมันเป็นกิกเลสละเอียดของจิตนะถ้าถามจิตเขาก็อยากทําอย่างหนึ่งถามใจมันบอกอย่าทำพอใจมันกลัวมากว่าจิตจะเบียดมันทิ้งอ่ะนะผู้เจ้าจ้งบอกว่าบำบัจิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในเราต้องทําแค่พอดีสติต้องคุมปัญญาได้ ตัวจิตนี่เป็นตัวปัญญานะนะปัญญาคือว่าตอนนี้มันรอมาตั้งนานแล้วมันต้องการปลดปล่อยตัวเองเหลือเกินนะทีนี้ถ้าเกิดเราไปทําตามมันร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยยกตัวอย่างว่าเราไประลึกชาติว่าเออเรากําลังโมโงหอยู่เรากําลังถือดาบไล่ฟันคนอยู่นะแล้วก็ทําตามมันไล่ฟันคนทั้งสาลานี่ยนะอันนี้นะอันนี้ก็คือว่าเราหลงมันหลงอารมณ์นั้น หลงอารมณ์นั้นนะไม่ใช่คนไปหลงอารมณ์นั้นในเวลาในกรรมฐานโดยบางทีออกมาข้างนอกเนี่ยอารมณ์นั้นก็ไม่ไปไหนหลงมาอยู่ตรงนั้นแหละนะเขาเรียกว่าหลงอารมณ์กรรมฐานนะข้างในก็ไม่ติดข้างนอกก็ไม่ติดนะก็เข้าไปข้างในเดี๋ยวมีคําถามหนึ่งเพราะครูเมื่อกี้นั้นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบไปไปไปพร้อมๆกันก็คือ เราต้องรู้ว่าสถานที่ตรงไหนเนี่ยควรจะทําแบบไหนถ้าไปยืนหมุนท่าสถานที่แคบๆนะว่าพอเราไปฝืนมันเห็นไหมไปไปฝืนมันเนี่ยมันก็ค้างมันก็เกิดการลักลั่นก็อาเจียนไม่ใช่อาเจียนแบบเราจิ้งตรงนี้นะให้ให้มันเมาจนมันอาเจียนมันสำลอกไอสารพิษต่างๆเนี่ยอันนี้จิตทําเต็มที่แต่ว่าถ้าเราหมุนปุ๊บเราดึงมันไว้อยู่เนี่ยมันจะขัดแย้งนะมันจะขัดแย้งตอนนั้นก็คําตอบคือ ถ้าพื้นสถานที่ไม่อำนวยไม่ควรทำการฝึกให้ทำแบบมีสติเป็นอย่างไรคะการฝึกทาได้แบบมีสติเป็นอย่างไรคะทีนี้สติมีสติข้างนอกกับสติข้างในชีวิตเราเนี่ยต้องใช้สติข้างนอก แล้วขี่จักรยานขาก็ถีบไปมือก็จับแฮนไปตาก็มองข้างหน้าเป็นสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมนะอันนี้ที่พกูเรียกว่าโลกิยาสติแต่ถ้าเข้าไปในจิตแล้วเราต้องสติสัมโพชงเป็นสติซึ่งมีอยู่แล้วธรรมชาติของจิตเองนะไม่ไม่ใช่สติของนอกสติตรงนั้นในอิสระมากอย่างเราหมุนเร็วๆ เ, เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่มีสติสัมโพชงเนี่ย เราปกครองตัวเองได้ไหมไม่ได้เราก็ลมนั่นแหละแต่บางคนเนี่ยไปเทให้ไอัฝ่ายอารมณ์จิตมากเกินไปจนปล่อยมันเต็มที่แล้วก็คุมตัวเองไม่ได้นะอันนี้ก็คือว่ากำลังของสติเราไม่สู้ตัวนั้นเราต้องหาถ้าความเร็วอะไรมันพอดีสติปัญญาไปด้วยกัน เราทำไปด้วยเราต้องวิจัยไปด้วยนะธรรมะวิจยะสำคัญคือวิจัยว่าแค่ไหนพอดีความเร็วที่เราพอควบคุมได้นะแต่ทีนี้พอเราควบคุมได้ป๊บพอเราชำนาญแล้วเนี่ยจิตเขาจะเร่งสปีดอีกเร่งเร็วขึ้นนะั่นะนะ่ะเรายิ่งต้องใช้สติเราเนี่ยควบคุมอารมณ์นั้นแต่ไม่ใช่ไม่ให้มันทำนะ ไม่ใช่มันทำนะแต่ทําอย่างควบคุมได้นี่แหละที่เราควบคุมได้นี่แหละคือสติแต่ถ้าเราไม่ควบคุมเลยเนี่ยปล่อยมันมันก็วิ่งชนเสาชนคนนั่นคนนี้นะมันก็เป็นการสร้างกรรมใหม่เนาะพีิแต่ว่าคนมาใหม่ๆบางครั้งเนี่ยเราใช้คําว่าอนุโลมผมต้องการให้เขาปลดปล่อยจิตให้อิสระนะเขาจะทําอะไรจริงๆพี่เลี้ยงก็ต้องช่วยดูแลหน่อยหนึ่งคือว่าให้เข้าไปแต่เมื่อชนานาญแล้วเนี่ย เราต้องใช้สติตลอดเวลาควบคุมอารมณ์นั้นให้ได้นะในการปฏิบัติแต่ละครั้งถ้าหมดเวลาแล้วผู้ปฏิบัติยังยังหมุนอยู่หรือยังอยู่ในจิตควรจะปล่อยให้ทำต่อ หรือออกมาค่ะนะควรจะค่อยๆหยุดนะไม่ใช่หยุดทันทีนะแต่เราควรจะไม่ใช่ไม่ให้ตามใจจิตจิตไม่อยากหยุดใช่ไหมแต่เราต้องฝืนไงฝึกวิธีว่าสั่งให้เขาหยุดได้แต่ไม่ใช่หยุดทันทีถึงจะบอกเวลาแล้วหมดแล้วกรช่่งเนี่ยเราค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยนะค่อยๆ่อน แต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันไปตามนะมันไม่หยุดนะพอก้อนนี้หมดแล้วทำมาลงก้อนนี้ยกก้อนใหม่ก็ขึ้นมาอีกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นขบวนการที่ฝึกให้เราเนี่ยคุมจิตได้เพราะชีวิตเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นบางทีมีเงื่อนไขเวลามีระเบียบวิ น, นัยอะไรที่ที่มาที่เราไปทำลายไม่ได้เนี่ยเราต้องคุมคุมตัวเองให้ได้ แต่คําตอบก็คือว่าอย่าหยุดทันทีค่อยๆหยุดหยุดเวลาที่เราเบาสบายแล้วไอ้ก้อนนั้นมันหมดไปนะแต่ถ้าก่อนนั้นหมดไปแล้วยังไม่หยุดอีกไอ้ก้อนใหม่มันก็ขึ้นมาอีกนะนะบางทีปล่อยให้นั่งเที่ยงคืน ถ, ถึงถึงสว่างแลยมันก็ไม่หยุดนะแต่ชีวิตเรานี่บางทีเราอยู่ร่วมกับหมู่คณะนี่บางทีเราก็ต้องอะไรมีวินัยในตัวเราไม่กระทบคนอื่น ถ้าเกิดอยู่ดีๆเราเศร้ามากๆโดยไม่มีสาเหตุแล้วเวียงไม่ออกที่พ่อครูบอกว่าต้องไปเสพอารมณ์แล้วเวียงมันทิ้งถ้าเราไม่ต้องไปรับตั้งแต่แรกจะไม่ดีกว่าเหรือ ถ้ายังไงมันก็ผ่านไปแล้วเราลืมมันไปแล้วจะไปรับรู้มันอีกทำไมคำถามนี้ก็มีครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปยุ่งกับประดิษฐอยู่ปัจจุบันนะส่วนมากคนเจริญสติเนี่ยเขาจะเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นคือว่าพิจารณาผัสสะกระทบปุ๊บจบกระทบปุ๊บจบอันนั้นคือใช้สติเนาะแต่มันจะไม่เกิดปัญญา แต่มันอยู่แก่เราก็าไปเสพมันเราถึงรู้ไงแต่ในขรัที่เสพมันปุ๊บก็ไม่ติดอันนั้นไม่ใช่สติอย่างเลยนะไม่ใช่สติอย่างเดียวนะเกิดปัญญาแต่ถ้าเราอันนี้ง่ายที่สุดถ้าพูดอย่างนี้ว่าเออไม่ต้องไปเสพมันไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องปฏิบัติงก็ไม่ต้องไปรับรู้อารมณ์อะไรเลยเห็นไหมเห็นไมแล้วก็ใช้สติปัจจุบันดารงชีวิต ทำมาหากินอะไรนี่นะเห็นไหมก็ก็ไม่ต้องไปยุ่งมาตั้งแต่แรกเลยแต่การปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไร เ, อเ ร, ร, รเพื่อเรียนรู้การพื่อเรียนรู้ยกตัว อ, อย่างว่ามีสองครอบครัวเดินไปเนี่ยมีเด็กสี่ขวบทั้งสองคน เ, นเขาไปเจอสนามเด็กเล่นอีกครอบครัวหนึ่งปล่อยให้เด็กไปเล่น อีครอบครัวนึงบอกลูกไม่ต้องเล่นหรอกไร้สาระไม่ดีนะคือฝืนมันนะวันหน้ามาอีกก็เหมือนเก่าถามว่าเด็กสองคนเนี่ยคนที่มีโอกาสไปเล่นกับคนที่ไม่เล่นเนี่ยคนไหนจะวางก่อนกันคนที่ได้เล่นแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วเขาก็วาง แต่คนที่บังคับไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นแล้วเนี่ยต้องรอให้มันเลยไวนะโอ้ยช่างมันเถอะก็อย่างไรเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอันนั้นแหละคือสติล่ะสติสติสติแต่ไม่เกิดปัญญานะแต่การจะเกิดปัญญาเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยนะพอไปลิ้มรถมันตุบบางทีไปติดมันเลยนะแล้วบอกว่าเบี่ยงทิ้งเบี่ยงไม่ทิ้งเลยนะไม่ได้เบี่ยงอารมณ์นั้นทิ้ง ไม่ได้เวียงอารมณ์นั้นทิ้งอารมณ์นั้นมันก็ต้องอยู่เวียงความยึดมั่นถี่มั่นที่เราจะไปหลงอารมณ์นั้นทิ้งถ้าเราทำได้แสดงว่าเราผ่านขั้นตอนสอบแล้วว่าเธอหลอกฉันไม่ได้อันนี้แต่แต่แรกเราไม่เปิดโอกาสให้มันให้มันมาสอบเราเลยไม่ต้องหลอกเราเลยแล้วเราจะเก่งแล้วได้เลยออันนั้นคือสตนะินั่นแหละคือสติล่ะนะพอไปเจอลูกโตๆเนี่ยไม่ใช่สตินะไม่ใช่ขันตีด้วยขันแตกด้วยหลุดเลย ประสบการณ์ที่เราไปลิ้มรสมันบ่อยๆแล้วก็ผ่านขั้นตอนประเมินเราบ่อยๆเนี่ยนั่นคือตัวปัญญานะแต่ว่ามันมันคาบเส้นมากมันคาบเส้นมากก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆถูกตีหัวบ้างพลาดบ้างเดี๋ยวมันก็ชำนาญผิดเป็นครูแต่ถ้าเรากลัวไม่ต้องไปเสพมันเลยทีแรกนะเสพมันทำไมก็อย่างนั้นไม่ต้องปฏิบัติเลยดีกว่าไม่ต้องปฏิบัติเลย ใช่ไแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยปฏิบัติเป้าหมายก็เพื่อให้เราเกิดปัญญาเราต้องไปเรียนรู้กับสิ่งนั้นที่เราเข้าไปในจิตเนี่ยไม่ทำในธรรมเนี่ยคือทำอารมณ์เราโดดเข้าไปหาอารมณ์เองนะเพื่อเอาอารมณ์นั้นนะ่ะมาเป็นครูมาเป็นอาจารย์มาประเมินเราว่าทันไหมบางครั้งก็ทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ทันมันก็มีประสบการณ์ต่อไปมันระวังตัวมากขึ้น เห็น ไ, ไหมอินทรีย์พละนะศรัทธาวิทยาสติสมัยเป็นันก็มากขึ้นนะอันนี้คือคําตอบว่าเข้าไปเหมือนไปแต่ว่าคําว่าเสพนี่ต้องระวังนะเหมือนบางทีต้องระวังเราไปรับรู้มันแต่เราไม่ไปติดมันแต่ไม่ใช่เราหนีมันเราหนีมันเราก็ไม่ไม่ผ่านการทดสอบไม่ได้ใช้ความสามารถเราเลยที่จะข้ามพ้น นะเราจะไม่เกิดปัญญาแรงสั่นสะเทือนแปรผันตามความตั้งมั่นของจิตหรือเปล่าแรงสั่นสะเทือนแปรผันตามความตั้งมั่นของจิตหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรแรงสั่นสะเทือน แปลผันตามความตั้งมั่นของจิตถ้าจิตมันตั้งมั่นมันจะแปลผันได้ยังไงเนาะคือคำถามนี้มันมันมันลักลั่นอะไรนะก็คือว่าแตก็ไม่รู้ว่าถามว่าจะไปรู้ไปทําไมยกตัวอย่างนี้เนา ะ, นะแรงสันสะเทือนเนี่ยพยายามทําให้จิตมันตั้งมั่นช่วยให้จิตตั้งมั่นได้เร็วขึ้นแรงเบี่ยงก็ดีแรงสันสะเทือนก็ดีการเคลื่อนไหวอะไรเหมือนมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเห็นไหมมันดึงให้จิตตั้งมั่น แรงเบี่ยงนั้นมันดึงให้จิตเป็นรวมศูนย์อยู่ตรงกลางนะถ้าเรามีพลังแล้วเนี่ยเราถูกพลังกิเลสคิดโน่นแส้ทายตัวตัณหาเนี่ยทำให้เราไม่ไม่สงบนิ่งแต่แรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำไมเธอดันให้จิตมันอยู่กับที่นะเธอดึงให้จิตอยู่กับที่ในขณะที่ความคิดและอารมณ์เราก็จะดึงจิตออกเนี่ยแรงสั่นสะเทือนพยายามจริงๆแล้วแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นตัวเสริมกําลังให้จิตตั้งมัน่น แต่ไม่ได้ถามว่าไม่ใช่แร ง, แรงสัญจะเทือนแปรผันตามความตั้งมั่นของจิตหรือไม่คําถามนี้เนี่ยมันเข้ากันไม่ได้แรงสัญจะเทือนแปรผันไปตามความตั้งมั่นของจิตหรือไม่นะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันไม่มีแปรผันถ้าแรงสัญจะเทือนเนี่ยตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยก็ทําให้จิตตั้งมั่นแรงสัญจะเทือนนี่เป็นกําลังช่วยให้จิตตั้งมั่นนะ เหมือนแรงเบี่ยงเนี่ยทำลายสนามแม่เหล็กปกติเราเนี่ยจิตเราเนี่ยเป็นธาตุของอายตนะนะถูกมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาใช่ไหมล่ะเราไม่มีพลังแต่พอเราสร้างแรงเบี่ยงหรือแรงสันตเตือนให้จิตแล้วเนี่ยมันได้ยินปั้งสักแต่ว่าได้ยินอายตนะนี่ยมันดึงเราหลุดออกจากตัวนี้ไม่ได้นะเอาเป็นว่าคาตอบคือ ที่เราเช็คกิ้งแรงสันสะเทือนเนี่ยหรือเราสปินนิ่งนะเราเวียงเราเต้นอะไรก็ช่างเนี่ยเราเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อดึงให้จิตเราตั้งมัน่นมีกำลังไม่ให้อารมณ์ต่างๆมันดึงให้จิตเราออกนอกลู ก, กนอกทางนะสมาธิก็ต้องตั้งมัน่นแรงสันสะเทือนนี้เป็นตัวเสริมกำลังสมาธิเราให้มันมีพลังมากขึ้น ขณะที่เราแสดงท่าทางออกมานั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการแสดงออกของจิตนะอยากรู้ ไ, ไมอยากรู้อยากเห็นนะก็ถามมันสิก็ถามถามันสิเห็นไหมแล้วก็ถามว่าแล้วเราเป็นคนแสดงออกเราเป็นคนลำเนี่ยนะเห็นไหมเราก็ถามสิ ใครเป็นคนสั่งให้เธอลัมใช่ไหมเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะชัดเจนเองว่าใครเป็นคนสั่งให้เราทำถ้าสมองข้างนอกมีเหตุผลไม่ว่าเราต้องมาแสดงออกบางคนบอกอุปทานไหมอุปทานนัยยะอุปทานเราหมายความว่าเธอคิดเอาเองหรือเปล่าเธอจินตนาการทีนี้เราก็ถามว่า แล้วทำไมฉันจะต้องมาจินตนาการมามาแสดงออกอย่างนี้ทำไมถ้าพูดถึงสมองปัจจุบันนะนะเอาแค่คิดเฉยมันก็อายแล้วไงมันจะไปแสดงออกทำไมใช่ไหมล่ะนั่นแหละอยากรู้เรื่องนี้ถามตัวเองก็แล้วกัน <c oughs> ก็มีอีกคำถามหนึ่งคืออริยสัจสี่ ทำไมเอาผลขึ้นก่อนเหตุอันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ถามพวกคูคือทุกเนี่ยทาวิทยาศาสตร์บอกเขามันคือผลสมูทไทยนีย่มันคือเหตุแห่งทุกข์คือตัวตันหาทำไมเอาผลขึ้นก่อนเหตุวันนั้นถามพ่อกูก็ตอบว่าถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้แก้วใบนี้เนี่ย มันผลิตจากอะไรใช่ไหมแล้วก็ไปหลอมไปหาที่มาของมันแก้วใบนี้มันคือผลแล้วไงเหมือนไฟไหม้บ้านเราเนี่ยเราสร้างมาแทบแย่เรารักบ้านเรามากหยาดเหงื่อแรงงานทุ่มเทไปเพื่อสร้างบ้านนะวันดีคืนดีกลางดึกไฟไหม้บ้าน ทีนี้ไฟไหม้บ้านเราร้องไห้เราทุกมากเราทุกเพราะไฟไหม้บ้านใช่ไหมที่เราทุกเราร้องไห้เนี่ยเหตุคือไฟไหม้บ้านทีนี้เราก็ต้องตามไปดูว่าสาเหตุทําไมมันไหม้มันต้องพูดที่ผลก่อนคุณต้องให้ทําไมคุณทุกทําไมฉันทุกเพราะไฟไหม้บ้านฉัน เออแล้วคุณรักบ้านคุณแล้วคุณไปเผาบ้านคุณทําไมฉันไม่ได้เผาแล้วมันทําไมไหมล่ะเขาก็ยังตามหาสื่อพยานไงส่วนมากเนี่ยไม่ต้องสืบหรอกจบที่ว่าไฟลัดวงจรทั้งนั้นะเพราะมันสืบหาไม่เจอมันก็มักง่ายอ่ะเนะเนี่ยผู้เจ้าไปเห็นว่ามนุษย์เรามีทุกข์เป็นประทานเกิดมาก็แหกปากร้องอะ่ะทีนี้ถ้าทําเด็กมันเกิดว่ามึงร้องไห้ทําไมถ้ามันพูดได้ว่า กูทุกข์กูทุกข์เพราะกูกลัวมากกูเกิดใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ต้องตามเจาะไปว่าที่มันทุกข์ผลคือมันร้องไห้แสดงออกถึงความทุกข์ของมันทีนี้เราอยากจะรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็เวี่ยงเจาะลึกเข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปที่มาที่ไปของมัน ที่เราไปสาวไปสู่อดีตอ่ะใช่ไหมผู้เจ้าไปตรัสรู้วิชานี่คือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมเห็นไมสาเหตุต้นเหตุมันคือกรรมทำให้มันเกิดมาปุ๊บมันก็ร้องไห้มันก็ทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีทุกข์เป็นประธานเน่ยพระองค์ก็เลยเอาทุกข์นีตั้งไว้ก่อนแล้วก็ชี้ให้เราเห็นว่า เหตุแห hey ่งทุกข์คือตัวตันหาทีนี้เราก็ต้องไปเจาะลึกเองเรากําลังวิจัยนะเรากําลังปฏิบัติรู้ว่าแล้วทําไมเรามีเรามีตันหาทําไมเรามีตันหาเห็นไหแล้วก็เข้าไปไงไปเรียนรู้กับในเว็บไซต์ของเราแต่พระเจ้าก็เรียนรู้แบบนี้นะพระองค์ก็ไปตัดสรุหรืเรื่องนี้ว่านั่นแหละพระองค์ก็ไปตัดสรุวิชา ว่าด้วยอาสวะขยะยานยานรู้ว่าดนการกําจัดอาสวะกิเลสคือกิเลสคือที่มาของตัณหาตัณหาคือที่มาของอุปทานอุปทานคือที่มาของทุกเนะีเพราะพระเจ้าตจเลยเอาทุกเนี่ยเป็นโจทย์เรามีทุกขเป็นประธานนะแต่ทีนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเอ้ยมันต้องเหตุเกิดมืนผลจึงมันจึงเกิดพระเจ้าก็พูดเรื่องปฏิส ม, มุทบาทเหมือนกันเหตุเกิดผลจึงเกิดนะ แต่ที่อยู่ดีๆเนี่ยไฟมันยังไม่ไหม้บ้านเลยเราก็ไปนั่งโจดว่าทำไมมันไหม้บ้าน <c oughs> ไปหาเหตุก็มันยังไม่ไหม้ไงเมื่อมันไหม้บ้านแล้วทำให้เราร้องไห้เราทุกอยู่แล้วเราก็ต้องไปเจาะลึกว่าทำไมไฟมันไหม้บ้านนะผู้เจ้าก็ไปเห็นว่าเหตุคือสมุทัยก็ยบอกทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นไม่มีไว้ให้ทุกนะ สมุไทยมีไว้ให้ดับมันให้ให้ให้ละมันซะทีนี้ไอ้คถามตรงนี้เนี่ยพค ก, กูเกิดเมื่อย5หปีก่อนหลังจากเกิดอาการระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะพกกูไม่รู้เรื่องศาสนาเลยนะอยู่ๆไอ้จิตเดิมมันตั้งอริยสัจสีขึ้นมาแล้วบอกเอออะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมล่ะนิโรธคือความดับทุกข์ก็คือนิพพาน มันจบแล้วไงมันสูงสุดแล้วไงแล้วทำไมเอามรคมาอยู่ข้างล่างนะมรคคือทางหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ก็เราถึงนี่โลดแล้วก็จบแล้วไงทำไมมรคอยู่ข้างล่างอันนี้เหมือนกันนะนะผู้เจ้าชี้รู้ว่าท่านนี่โลดนี่คือตัวดับทุกต้องทำให้ถึงแล้วพระองค์ไปตัดสู่วิธีทำให้มันถึงด้วย ต้องมีโจทย์ก่อนว่าเราจะทำอะไรอยู่อย่างนักยาศาสตร์ตั้งโจทย์ว่าฉันต้องเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วฉันจะมีความสุขแล้วก็ฉันจะเป็นผู้ชนะเราตั้งโจทย์ยังไงวะต้องชนะต้องมั่งคัง่งต้องมีลาบยศสรรเสริญอันนั้นเราจั้งโจทย์เห็นไหมเราก็ไปหาเทคนิควิธีการเพื่อจะทำให้โจทย์เราสาเร็จบางคนก็สาเร็จจริงๆนะ มีชื่อเสียงมีลาบยศสารเสริญแต่ก็ะเดี่ยงไงพราะเราตั้งโจทย์ผิดพระพุทธเจ้าตั้งทุกเป็นประธานเลยเป็นโจทย์เรามีทุกเป็นประธานตั้งแต่เกิดมาก็แหกปากลองแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อพระองค์ตั้งโจทย์พวกพระองค์ก็ไปเนี่ยธรรมวิจยัยมันก็วิจัยว่าเออแล้วเหตุแห่งทุกคืออะไรพระองค์ก็ไปเห็นว่าตัวตันหาไงเมื่อพระองค์ดับทุกได้เนี่ยพระองค์ไป ไปสัมผัสคำว่านิโรธหรือนิพานเไหทีนี้มรรคตัวสุดท้ายเนี่ยมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือขบวนการที่จะนำเราไปสู่นิโรธแต่หลังจากนิโรธแล้วมรรคตัวที่สองเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชา นี่โรดแล้วนี้ผ่านแล้วพระองค์ไม่ต้องเจริญมรรคอีกแล้วแต่เวลาที่เหลือของพระองค์เนี่ยพระองค์สร้างศาสนาขึ้นมาเผยแผ่อีก 45, สี่สห้าพัรษาเวลาที่เหลือนี่วิถีของพระองค์อยู่ในมรรคในทางมันเป็นมรรคโดยไม่ต้องไม่ใช่ในช่วงขั้นตอนเจริญมรรคแต่มันเป็นผลถือว่ามรรคนี่เป็นผลของนี้ผ่านก็ได้ ต้องเข้าใจนะใช่เมื่อเรานิโรธแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ละสังขารเวลาที่เหลือเราเนี่ยมันเป็นมรดยโอโตโมเมติกมันคือผลของนิโรดนั่นแหละอันนี้เป็นโจทย์แรกที่วัน้พวกคุณระเบิดปุ๊บมันตั้งโจทย์ให้พวกคุณเลยเอาตัวใหญ่เลยนะอริยสัจสี่ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการส่วนธรรมะย่อยที่ผู้เจ้าตัดมาเนี่ยเป็นครรมะย่อยที่แตกแขนงออกไปเท่านั้นเอง ก็เมื่อพูดถึงมรคแล้วมรคคืออะไรนะวันนี้พระอาจารย์ปรมีก่อนจะกลับท่านก็เอาปากกาเล่มหนึ่งดึงออกมาปุ๊บมีลัทธิใหม่ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยอะละพวกคุณไม่เรียกชื่อตรงๆเดี๋ยวเราอัดเทพไว้หน่อยขี้เกียจจะไปทะเลาะกับเขาเขาตั้งชื่อลัทธินั้นน่ะมันตรงกับคำว่าพุทธโอวาสนั่นแหละ ตอนนี้ทำประกาศนะร่อนการเหมือนการวางการตลาดทำทุกรูปแบบแล้วก็ในนั้นพูดถึงเรื่องมักมีองแปดนี่แหละคือพุทธโอวาอันนี้ใครๆก็รู้อ่านหนังสือออกก็อ่านก็รู้เอาล่ะทีนี้ร้อยทั้งร้อยเวลา บรรยายนทำเรื่องมรกมีองแปดเธอต้องมีสัมมาทิติเป็นเบื้องต้นนะถ้าพูดแรงๆหน่อยมึงจะเอามาจากไหนเด็กๆต้องมีสัมมาทิตินะเห็นไหมทำไมเอาสัมมาทิฏิขึ้นมาตัวขึ้นมาเบื้องต้นสั ม, มาธิติเนี่ยคือเป้าหมายสูงสุด บางทีเขาเขียนเขียนเขียนแบนี้แล้วก็ไปแตไปอ่านตามตัวหนังสือว่าเขาเขียนสัมมาทิฏฐิเธอต้องมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะแล้วเธอจะได้ดำริชอบเธอเห็นชอบก่อนเธอดำริชอบแล้วมันจะมาจากไหนล่ะก็มันยังไม่มีไงมันคือเป้าหมายสูงสุดสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวเห็นชอบเนี่ยแต่ตัวเริ่มต้นคือตัวสุดท้ายคือตัวสมาธิ นะสัมมาสมาธิเป็นในแปดข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าในการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นพูดถึงสำคัญสำคัญหมดแล้วแต่ตัวนี้เขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วพ่อคูก็ให้ความสำคัญมากที่สุดพ่อครูเริ่มจากสมาธิสามชั่วโมงนั้นสามสมาธิแต่สมาธิมันก็ เพราะเพราะเราไม่มีความรู้อะไรเลยก็ไม่ต้องไปติดบ่วงไงไม่ต้องไปติดบ่วงฝึกวิธีนะั้นวิธีนี้นะหลังจากมันเริ่มจากสมาธิพวกมันกรไปลโลดมันเกิดวิปัสนาด้วยตัวเขาเองเห็นไหมตอนนี้เราก็ไปแปลาตามภาษาว่าสมมติว่ามักมีองแปดเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นทีนี้มักมีองแปด เขาก็บอกว่ามันขยายความมาจากไตรสิกขาอันดับแรกเห็นชอบดํำรีชอบเนี่ยก็อยู่ในหมวดของปัญญาเห็นไหมวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเป็นหมวดของศีลศีลไม่แค่สมข้อในการปฏิบัติอยากไปดิพานทำแค่สาข้อไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศี 8, 10, ปฏิโมกอันนั้นศีลเป็นแค่วิในเป็นกติกาในการอยู่ร่วมศีลป้องกันไม่ให้ทําชั่วเฉยๆ แต่ศีลในการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกมีแค่สาข้อวาจาชอบอาชีพชอบการกระทําชอบเพราะกูชี้ให้ดูนะแล้วก็ไอตัวลงมาเนี่ยความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเนี่ยสามชวนนี้อยู่ในหมวดของสมาธิก็ถ้านเราเรียงลำดับคือปัญญาศีลสมาธิแล้วมาพูดถึงเรื่องไตรสิกขาเขาก็พูดว่าศีล สมาธิปัญญาถ้าเราไปเรียงลําดับอย่างนั้นเราจะงงนะเราจะงงและอะไรกันแน่มันต้องขึ้นต้นก่อนเนี่ยใจสิกขาไงบางคนก็เอาใจสิกขามาบรรยายว่าเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะถ้าเธอไม่มีสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดพอมาแสดงมรรคมีองแปดว่าเธอต้องมีสำอาธิติเป็นเบื้องต้นนะ เด็กๆ เ, เธอต้องมีปัญญานะต้องใช้หลักปัญญานะมันจะเอามาจากไหนอย่าว่าจะเด็กเลยจบป ร, ริญญาเก้าจบด็อกเตอร์ก็ไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือผลคือเป้าหมายเห็นไหมละ่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าแต่สาหรับพรอครูว่ายังหลักปฏิสบุดรบาทเหมือนกันเห็นไม สิบสองขั้นตอนนั้นสําหรับพ่อครูส่วนตัวนะเพราะว่าไม่มีตําราเล่มไหนที่เขามาบอกอย่างมัคมีองแปดเนี่ยเขาก็บอกว่ามาจากไตสิกขาแต่บังเกิดว่าเรียงลําดับไม่ตรงกับไตสิกขาไงไตสิกขาก็เอาศีลขึ้นก่อนแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมส่วนมาเป็นมัคปุ๊บเขียนปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิ จริงๆแล้วถ้าหลักปฏิสมบรูปบาทเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเราตัดขั้นตอนไหนก็ได้เราตัดสมมติว่ามันมีฟันเฟืองสิบสองฟันฟันเฟืองเนี่ยเราทําลายฟันเฟืองหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่หมุดแล้วนี่คือไม่มีเบื้องต้นไม่มเบื้องปลายแต่ตอนนี้หลักวิชาการเนี่ยเราไป ก็ปี้จากตัวหนังสือมาเขาพอบรรยายใจสิขาก็บอกว่าเธอต้องมีสมาสินเป็นเบื้องต้นนะไม่งั้นสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดเห็นไหมองคุริมาณมีศินเป็นเบื้องต้นไหมองคุมานมีศินเป็นเบื้องต้นไหมค่าคนมาเก้า้อยเสบเ้า ผู้เจ้าเทศคำเดียวก็บรรลุธรรมเหมือนกันเห็นไหมคือมันไม่เรียงลำดับตามแบบนั้นอย่างปฏิสบุตรบาลเนี่พอบรรยายปุ๊บคนเพราะว่าอาวิชาอยู่ข้างบนเห็นไหมเหมือนพวกกูถามว่านาริกาเ น, น่เลขสูงสุดอยู่เบอร์อะไรทุกคนตอบหมดเลขสิบสองเพราะมันอยู่ข้างบนไงแลง้วบางเนเลขสิบสองนี่ยมันก็มากกว่าเพื่อนในนั้น่ะ ลักวกเลข12พสอกครูก็ถามว่าจากเลข6กเลขสิบสองนี่กี่นาทีบอก30มนาทีจากเลขหมาถึงเลขหกกี่นาทีหกสิบนาที30กับหกตัวไหนมากกว่ากันสูงสุดคืนสู่สามัญบังเอิญว่าเขาสมมติว่าอย่างนี้นาฬิกาสมมติอย่างนี้เลข12อยู่ข้างบนนะนะแต่ถ้ามันตีลังกากับเลขสิองอยู่ข้างล่างเนี่ยเลขหกก็อยู่ข้างบนหลักปฏิสุบทบายก็เป็นแบบนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย เราตัดขั้นตอนไหนก็ได้ไม่ให้ขบวนการตัวนี้เนี่ยมันปรุงแต่งต่อไปสำหรับพรกครูแล้วปฏิสบุตบาทเนี่ยขยายความมาจากขันห้าขันห้านะรูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดมันปรุงในหนึ่งวินาทีฟันเฟืองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน เริ่มต้นของปฏิสมุตบาตเลยหระทั้งหมดถ้าขันห้ามันไม่ทำรูปเกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทำงานนะปฏิสมุตบาตพันเพื่องอื่นเคลื่อนไหวไม่ได้ภาษาเราพูดปุ๊บมันมีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันไปขัดแย้งกับหลักปฏิสมุติบาตในตัวเองผู้เจ้าบอกไม่มีเบื้องต้นไม่มือเบื้องปลาย ถึงว่าภาษามันหยาบเกินไปเขาอุตส่าห์เขียนให้มันกลมๆว่ามันเชื่อมโยงกันมึงอย่ามึงอย่าไปอธิบายยังอุตส่าห์ไปแยกอธิบายอีกเ อ, อ่อวิชาทาให้เกิดสังขารถ้าสังขารไม่เกิดจิตวิญญาณไม่มีพรากูถามว่าถ้าจิตไม่มีเนี่ยใครเป็นคนมียวิชาใครเป็นคนคิดปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยลมมันคิดเหรอไม่เข้าถึงแล้วเนี่ย อย่าไปแปรเขาพยายามเข่งกลมๆมันเชื่อมโยงกันแล้วก็ดีแล้วละนะ่ะเป็นแผนที่เป็นเป็นลายแทงแต่ตอนนี้เราเรียนหนังสือบแบบตักกะทุกคนต้องเหมือนกันหมดคิดเหมือนกันอย่างตอนนี้ครูสอนอนุบาลถึงปนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งบวกสองต้องเท่ากับสามทุกคนต้องเหมือนกันมันเกิดมันเขียนว่าสองบวกหนึ่งเป็นสามนี่ผิด นี่คือที่ความรู้ยุคนี้ไงคือก๊ปี้แล้วก็เอาความคิดแบบนี้ก็มาใช้กับเรื่องจิตวิญญาณพวกครูพูดดังๆเลยนะพวกครูสี่สิบปีเนี่ยวิ่งไปตามโลกไม่มีศีลห้าศีลห้าบอกไม่ให้ทำอะไรพวกคูทำหมดพวกคูเริ่มจากสมาธิแล้วก็ครั้งแรกในชีวิต เริ่มจากสมาธิเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยพ่อคูเลยไม่ต้องถือศีลไงที่ผ่านมาไม่มีศีลแล้วยี่ห้าปีก็ไม่ต้องถือศีลอีกเพราะมันเป็นศีลตามอัตมามัตแล้วจิตมีปัญญาแล้วมันจะโง่ที่จะไปทําชั่วเหรอศีลคือความปกติของจิตทาสานก็มีศีลห้าอยู่แล้วเป็นความปกติของมัน แต่ตอนนี้เรียนไปเรียนมาศีลมันหายไปไหนศีลห้าไปหายต้องมานั่งถือศีลกันถ้าเราปฏิบัติปลดปล่อยให้จิตเราคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขาเขาก็มีศีลเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ศีลเราหายไปไหนเพราะเรามีความรู้ผิดเราใส่ความรู้วิชาการต่างๆวิชาการต่างๆเนี่ยเป็นกันๆานะ วิชานนทนวิชานี้เป็นกนลางๆลางอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันไปทำอะไรถ้าใช้มันไปสร้างกรรมเนี่ยมันคือลบถ้าสร้างมันไปสร้างกุศลเนี่ยมันคือบวกเห็นไหมพระแขกเอามีดมาหัน่นผักมาเลี้ยงพวกเราได้บุญแต่ถ้าพระแขวันหนึ่งเนี่ย เอาความสามารถในการใช้มีดไปไล่แทงคนเป็นบาปในวิชามีดเหมือนกันไงอยู่ที่ว่าวิชาต่างๆเป็นกลางๆแต่ตอนนี้วิชาต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่เป็นกลางมันแฝงด้วยความโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นวิชาความรู้ต่างๆเป็นกลาง แต่ทุกวันนี้เราเรียนวิชาความรู้ต่างๆเพื่อสนองกิเลสตัณหาอุปทานของเราไงมันก็เลยไม่เป็นกลางขยันเรียนเพื่ออยากสร้างอนาคตเห็นไหมตัวอยากก็คือที่มาของทุกไงแต่เราเอาอาหารให้มันกินทุกวันเนี่ยมันก็แข็งแรงขึ้นทุกวันเห็นไหมแล้วความทุกข์มันจะไปไหนล่ะมันเนื่องจากว่าโลกมนุษย์เราตอนนี้เนี่ย เราไม่เงีย่ยหูฟังพุทธเจ้าหน่อยหนึเพราะองศ์อนอะไรเพราะครูสี่สิปีก็ไม่มีเวลาเงีย่ยหูฟังเหมือนกันอย่าว่าแต่คนอื่นนะเพราะคูเข้าใจนะเพื่อนฝูงที่อยู่บนสนิทกันมากแลยเพราะคูมาเมกายีิบห้าปีไม่หาเขาเพราะพระครูเข้าใจเขาเพราะคูเคยเป็นแบบเขามาแล้วมันพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาจะไม่มีวันเข้าใจพรอครูมันก็จะงงด้วยบ้าหรือเปล่าอยู่เมืองนอกมาอยู่บนนอ เราเคยเป็นแบบเขามาแล้วไงแต่เขาไม่เคยเป็นแบบเราเขาไม่ได้ผิดนะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราเป็นคนเปลี่ยนถ้าเราขึ้นช่อว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปว่าเขาเพราะเราก็เคยเป็นแบบเขามาแล้วถ้าเขารู้ถูกต้องเขาก็ไม่ทำแบบนี้สมัยก่อนมาแล้วเพื่อนเก่า เป็นรุ่นพี่พ่อูเป็นรุ่นพี่พ่อครูสมัยก่อนกอดคอกันเมารักมากเจอหน้ากันไม่ได้ชนแก้วกลัวเพื่อนตายชาแถมเอาบุหรี่ยื่นให้พวกจุดไฟแช็คให้ด้วยรักเพื่อนอย่างนั้นน่ะรักมากๆเพราะเพราะเราหลงไง แล้วงนั้นคือการการรักเพื่อนไงการแสดงออกถึงมิตรภาพไงนะเผลอปุ๊บชงชงชงช ง, ชงเล่านะชนแก้วชนแก้วชนแก้วชนแก้วนะีนั่นคือรักเพื่อนแบบนั้นไงแต่ตอนนี้เราไปรักเพื่อนแบบนั้นได้ไหม ต, ตอนนี้มันรักเพื่อนจริงๆนะมันกวดเพื่อนตายไวไง แต่ตอนนี้เราไปคุยกับเพื่อนเขาเข้าใจเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ไปเข้าใจไ ง, งก็คือไม่ต้องไปคุยกับมันก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นล่ะ ว, วันไหนเขาเห็นทุกข์จริงๆเขาที่จะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะก็บางครั้งเนี่ยข้อสุดท้ายที่ถามเรื่องอริยสัจสีเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเนี่ยพ่อครูก็ให้ข้อคิดว่าอย่าเอาความคิดแบบตรร ก, กะ หรือเรียนรู้แบบสมัยนี้เนี่ยนะสเตปบายสเตปตามตัวหนังสือบอกแต่ตัวหนังสือเองก็ขัดแย้งไงใจศิกษาก็มีศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิตามมาก็ปัญญานะมักมีองค์แปดเอาปัญญาขึ้นก่อนศีลตามมาสมาธิอยู่สุดท้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาอะไรเป็นเริ่มต้นไม่มีเบื้องต้ น, ไ ม, มตนไม่มีเบื้องปลาย พะยะเริ่มจากอะไรฟังทำทีเดียววันรู้ทมแล้วปัญญาเลยแต่ทุกคนเรียนแบบพะยะได้ไหมไม่ได้สูตรใครสูตรมันบรุญรมีที่เราสร้างมามันไม่เหมือนกันบ่วงที่เราสร้างมาก็ไม่เหมือนกันมากน้อยไม่เหมือนกันไงแต่ทีนี้ไอ้ความคิดแบบเหตุผลแบบตักกะวิชาองค์ความรู้เนี่เหมือนกันหมดกลัวได้เปียบเสียเปียบนะ แล้วเอาความคิดแบบนั้นเนี่ยมาสอนจิตเพราะกูท้งบอกว่าอย่าใช้สมองโง่ๆของเราเนี่ไปสอนจิตนะเสียเวลาปล่อยให้เขาดำเนินเองจิตเราเองถึงจะรู้ว่าเขาถนัดวิชาไหนเขาจะเริ่มต้นจากบางคนเริ่มจากศีลไม่ใช่ไม่เสียหายนะเนื่องจากอะไรล่ะ จริตมันต้องให้มันเริ่มสินก่อนใช่ไหมบางคนจลิตมันปัญญาปุ๊บปุ๊มเดียวฟังทำทีหนึ่งมาลุ้นทเลยใช่ไมทีนี้ใครรู้จิตเรารู้สมองมันไม่รู้หรอกอย่าใช้สมองโง่ๆของเราไปสั่งจิตจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นเองและสมองมันคิดตามอะไรนะตามใจ ใจเราคือกล่องบันทึกกิเลสแล้วก็คิดตามอารมณ์เราตามกิเลสเราสมมติว่าเราชอบสีขาวเป็นเดิมพันชอบชอบบังเอิอเราไปเข้าหุ้นกับเพื่อนเราทําโรงงานเนี่ยผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งจะไปขายข้างนอกเพื่อนก็ชอบสีแดงเราก็ชอบสีขาวเนื่องจากทุกคนกลัวได้เปรียบเสียเปรียบทะเลาะกันจุดนั้นแล้วฉันบอกสีขาวเดีฉันก็อ้างเหตุผลว่าสีขาวมันดีกว่าสีแดง พอผลิตสีขาวออกมาขายไม่ได้เราไม่ไปถามไปคนที่มันซื้อมันชอบสีอะไรเราทิฏฐิมานะของเราเนี่ยเขากิเลสของเราเป็นที่ตั้งมันก็คิดตามกิเลสคนก็อ้างเหตุผลว่าสีขาวมันดีอันนี้ก็อ้างเหตุผลว่าสีแดงมันดีเห็นไหมจะผิดสีแดงสีขาวก็ช่างเอาไปขายก็ขายไม่ได้เพราะว่าคนข้างนอกเขาชอบสีเหลืองคนที่เขาจะซื้อมันชอบสีเหลืองกันเห็นไหม หลายอย่างเราตัดสินใจด้วยกิเลสเรามันจะไม่ใช่ความจริงเราติดบ่วงกิเลสแล้วก็คิดตามกิเลสและตอนนี้เรียนไม้กระทั่งเรียนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียนแบบทางโลกเป็นชุดชุดวิชานั่นแหละก็คำถามดีมากที่บอกว่าทำไมเอาผลขึ้นก่อนเหตุทุกข์คือผล เหตุก็คือตัวตัญหาทำไมทุกข์ขึ้นก่อนเห็นไหมจริงๆแล้วทุกข์นี้เป็นประธานคือเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องจัดการมันตั้งโจทย์ก่อนแต่นักวิชาการทุกวันนี้เราตั้งโจทย์ผิดเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งเราความสมเร็จทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งเอา GDP เป็นที่ตั้งเห็นไหมล่ะเราก็ไปแสแวงหาเหตุ หาเครื่องมือในการทำให้เราเกิด GDP เราก็ได้ GDP แต่ชีวิตเป็นยังไงเดี่ยงผู้เจ้าตั้งโจทย์ชีวิตมนุษย์เราชีวิตเรามีทุกข์เป็นประธานธรรมะที่ยิ่งใหญ่สี่ประการเนี่ยนี่คือธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้มีแค่นี้ส่วนธรรมะย่อยนั่นเป็นตัวสนับสนุน เพื่อนฝรั่งพ่อครูหลายปีก่อนเขาตั้งจากเรารักกันมากเขาก็ห่วงว่าพ่อครูหลงทางหรือเปล่าอยู่ๆทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายมาอยู่ในป่าเขาก็ศึกษาเขาก็ศึกษาพุทธศาสนาเขามาเมืองไทยเขาก็ติดตามข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยเขาก็มาถามพ่อครูว่าไหนบอกเมืองไทยเป็นเมืองพูดธไง ทำไมมันฆนะ่ากันทุกวันทำไมมันฆ่ากันทุกวันทะเลาะกันทุกวันนเหมือนเขาพยายามจะปลุกพวกคูตื่นน่ะอย่าไปหลงนะถ้าพูดดีจริงมันฆ่ากันทุกวันทําไมล่ะพวกคูบอกพูธมันไม่ได้ทําอะไรนะคําสอนพระเจ้านี่ไม่มีอะไรผิดแม้แต่นิดหนึ่ง แต่คนอ้างว่าตัวเองเป็นพุทธน่ะไอ้คนที่มันอยู่ในพุทธน่ะมันเป็นพุทธแค่ในนามแต่มันไม่เข้าใจคำสอนพระเจ้าจริงๆแต่คำถามนั้นมีประโยชน์จิตพวกกูก็วิจัยทำเออแล้วข้อจริงมันเป็นยังไงห่วงไหมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยพุทธศาสนาที่เป็นอย่างพุทธพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ นะเมื่อกี้ส่งพระอาจารย์ปรมีก็มีหลวงพี่สองสามรูปมาคุยกับพ่อครูแล้วก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนพ่อครกูก็ฝากพระอาจารย์ปรมีดูแลสุขภาพเวลานี้ต้องอุเบกขาเขาจะว่ายังไงเขาจะทำยังไงเพราะว่าท่านโดนไอ้ลัทธิเมื่อกี้ที่พ่อครูบอกนะที่ว่ามันตรงกับพุทธโอวาส น, นลูกศิษย์อาจารย์ปรมีมาทั้งหลายปีแล้ว ตอนนี้ไปต่อว่าเขาเลยผู้เจ้าไม่สอนอย่างนี้พักกินมื้อเดียวก็พอนะนี่ไม่ใช่พุทธโอวาทแล้อยู่นี่ครัวอะไรอยู่ในที่วัดของท่านสุรุ่ยสุล่ายนะแบบไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าตอนนี้กลายเป็นเรื่องอะนะประกาศรัฐที่ใหม่ทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพวกคูก็บอกเอ้ย อย่างนี้มหายานก็ไม่ใช่พุทธนะไม่ใช่กินสองมือนะกินสามมือด้วยนะพระนะอย่างนี้พวกเราไม่ใช่พุทธนะนะไม่ใช่พุทธนะพวกเรายังกินอาหารเย็นนะไม่ใช่อาหารร้อ น, นใช่ไหมแล้วไปติดบ่วงพวกนี้เนี่ยติดภาษาไง เรียงลำดับว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างนี้มหายานก็ไม่ใช่พูุทธสิหลวงพี่มหายานท่านก็ใส่กางเกงก็ไม่ใช่พูดธสิผิดพุทธโอวาทเหลอเราไม่มีงานทําเราไปเอาเรื่องยุ่มๆๆนี่มาทะเลาะ ก, กันให้คนที่หลวงว่าตัวเองถูกพราะกันกองมาแล้วภาษาตรงนี้เอาหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้มารวมเล่มใหม่แล้วบอกว่าเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะถ้าใครไม่เป็นแบบฉัน ไปว่าเขาไปสอนให้โยมทะเลาะกับพระไปว่านะทำไม่ถูกคนที่ไปสอนให้คนอื่นไปว่าเขาเนี่ยคุณไม่มีศีลอย่างยิ่งคุณสร้างวัจจีกรรมนะคุณถูกเหรอไปกันใหญ่แล้วเนาะเพราะพุทธองค์เองบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตําราไงแต่คุณบอกต้องเชื่อตาราเรื่มนี้เนี่ย มันสุดยอดท่านกันกองมาแล้วบางทีเอาเครื่องกองแบบละเอียดนะมากองแล้วเนี่ยเนี่ยนะขณะมันกองแล้วเนี่ยมันก็ไปว่าคนนั้นคนนี้ผิดเนี่ยนะถ้ามันกองจริงๆแล้วมันจะไม่ว่าใครเลยมันเป็นนานาจิตตังถ้าอย่างนี้พระอรหันต์จี่คงคมมันรู้ทำไม่ได้หรอกนะแล้วตอนนี้มันทะเลาะกันเพราะอะไรหลายปีก่อนบ้านเมืองเราก็มีทะเลาะกันนะ คนหนึ่งเขาถือศีลกินเจโดยที่ว่าเขาไม่กินเนื้อสัตว์เขากินมังสวิรัตและเขาแถมไม่ใส่รองเท้าด้วยก็ไม่ใช่ผิดเป็นอุบายวิธีไงบางคนติดรสชาติแล้วฝืนกิเลสฉันไม่กินก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายไงเออใส่ไม่ใส่รองเท้าฉันใส่หนังแท้ยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาไม่ต้องเปืองเงินนวดขาด้วยก็ดีไง มันดีนะแต่ไปว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณคุณไปติดดีแล้วคุณว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยคุณสร้างวัจจีกรรมตลอดคุณไปทำลายสมมติบัญญัติคนอื่นเนี่ยมันเป็นความชั่วลายอย่างยิ่งตอนนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตอนนี้เอาอีกใหม่นะต้องตำลาเล่มนี้เท่านั้นถึงจะเป็นของแท้ พวกครูบอกนะพระไตรปิฎกเล่มจริงๆเลยเนี่ยเล่มแท้ๆเลยตอนนี้ไม่แท้นะสังคัญนามาตลอดนะเล่มจริงๆเปิดออกมาไม่มีตัวหนังสือสักตัวหนึ่งนั่นของแท้ไงธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นคือตัวธรรมะมันไม่มีภาษามันไม่มีตัวหนังสือธรรมชาติมันไม่มีไม่มีตัวหนังสือ แล้วตอนนี้เนี่ยใครอ่านหนังสือออกแล้วก็ไปอ่านเองเนี่ยนั่นพุทธโอวาสเนี่ยพระไตรปิฎกแล้วก็ไปเปิดอ่านสิตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนว่าเราเอาภาษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นสินค้ามาสร้างลิขสิทธิ์ให้กับตัวเองไม่สร้างลัทธิใหม่แล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นเขา ถ้าเราเป็นพุทธจริงๆเนี่ยต่างคนต่างพายเธอพายซ้ายเขาพายขวาถนัดคนละอย่างก็ช่วยกันพายไม่ใช่ไปทะเลาะ ก, กันเนื่องจากว่าสังคมเราทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยเราไม่ระวังเนี่ยเราก็ถูกไอเชื้อพวกนี้มันเข้าไปในตัวเรายกตนขมท่านแล้วก็ไปจับถูกจับผิดประเด็นที่มันไร้สาระมาก มันไม่มีสาละอะไรใช่ไหมล่ะกินเจกินมังสวิรัก็กินไปสิดีมันถูกสําหรับธาตุบางคนเนี่ยแพ้เนื้อสัตว์ก็อย่าไปกินหลายปีก่อนลิวสีตนหนึ่งมาที่นี่ก็ถามพรอครูพรอครูกินเจไหมไม่กินมังสวิรัตไหมไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ไม่ เขาก็มองหนะ้าพวกครูกินอะไรกินอาหารอย่ามากเรื่องไปไหนก็แบกเจไปด้วยมันวางหรือมันแบกแต่ไม่ใช่กินเจไม่ดีกินให้มันถูกธาตุเรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินตอนนี้ไปทะเลาะ ก, กันเรื่องประเด็นพวกนี้ในเรียสตรีพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเห็นไหมพูดแต่เรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ ผนทางไปสู่การพ้นทุกข์อันนี้ไปเพิ่มทุกข์พระทะเลาะกันเพราะเชื่อไม่เหมือนกันแทนที่จะมาช่วยกันนะให้มันพ้นทุกข์ไปสร้างทุกข์อีกมันขัดหลักใหญ่เนาะเอาเป็นว่าหน้าที่เราสามอย่างคือทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสคือทานศีลภาวนา ส่วนการทำดีเนี่ยคนเรามีอนุสัยไม่เหมือนกันบางคนทำดีเพื่ออะไรไปช่วยเหลือคนแก่คนชราบางคนทำดีนี่ไปเลี้ยงเด็กยากจนเห็นไหมบางคนทำดีนี่ไปกวาดถนนกวาดใบไม้ไปช่วยเหลือสังคมคุณจะไปเถียงกันว่าตัวไหนดีกว่ากันอันนี้ไปเอาข้อปีกย่อยมานั่งถูกกันนะก็ธรรมดาจะจบแล้วนะ บังเอิญเมื่อกี้นี่ปุ๊กก็ยื่นมีจดหมายไม่ใช่ฉบับน้อยๆฉบับใหญ่มากสองหน้ากระดาษจากผู้อาวุโสในศูนย์นี้น่ยยื่นมาถึงพ่อคูจดหมายฉบับย้ายใหญ่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแต่คงไม่อ่านเขียนด้วยลายมือออริจินอล สองหน้าแต่ประเด็นนิดเดียวเองนะแล้วคนที่เขียนจดหมายนี่หาว่าครูเนี่ยพ่อครูคารลบคารวะนะเป็นคนตรงเป็นคนดีทำบุญกับพ่อครูเป็นล้านเลยไม่มีใครกล้าทำนะทีนี้คนเราบางทีทำบุญเป็นล้านได้แต่ ไม่ยอมเสียความรู้สึกแม้แต่น้อยแต่ไม่ใช่ตัวท่านนะท่านเอ่ยถึงในศูนย์นี้มีเรื่องหนึ่งมีผู้วิสุทอีกคนหนึ่งปลูกกล้วยไว้หน้าบ้านแล้วก็มีจิตอาสาท่านหนึ่งนะช่วยประแขงอยู่หน้าที่เขาว่างๆวกเก็ถือมีดเดินไปทั่วศูนย์อันไหนตัดได้ใช้ก็ตัด ไหนฉันเลมได้ฉันก็เลมเพื่อเอามาเข้าขัวถีบังเอิญผู้อวุโสเนี่ยเสียความรู้สึกบางคนก็บอกว่าเธอมาปูกเหรอบางก็บอกว่าเอ๊ะไม่มีมารยาทน่าจะบอกกันหน่อยหนึ่งนะอันนี้คือคือคือเนื้อหามีแค่นี้ ก็เขาขอร้องพกพ่อครูเนี่ยแสดงทำให้หน่อยจะได้ชัดเจนว่าอันไหนถูกกันไหนผิดพ่อครูบอกนะกรรมชี้เจตนาถ้าคนนั้นเจตนาคือว่าไปขโมยของคนอื่นไปตัดของคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้ปลูกแล้วเอาเข้าพกเข้าห่อเอาไปให้ลูกหลานตัวเองเอาไปค้ากาไรไม่ต้องลงโทษเขานะ เรามีหน้าที่ให้อภัยเขาอย่าไปแย่งงานยมปบาลทำพระคูชี้ให้ดูบางคนทำบุญได้เยอะๆแต่ทิฏฐิมาหนา้าไอ้เรื่องถูกเรื่องผิดนี้ให้ไม่ได้พระคูทึ้งบอกแล้วไงที่ในสูนี่อย่าไปพูดว่าบ้านคนนั้นบ้านคนนี้ไม่มีบ้านใครนะมีแค่ที่อยู่อาศัยเมื่อมีบ้านเราแล้วก็มีของของเรามีต้นไม้เราแล้วเนี่ย จริงๆแล้วถ้าเราคิดในมุมกลับนะปลูกมาแล้วก็หวังดีผู้โสมบอกหวังดีเออพราะอนั้นก็ตัดมาแล้วก็ไปแบ่งญาติธรรมกินทุกคนหวังดีหมดแต่คนที่เขาไปตัดนี้เขาก็หวังดีไงเขาก็เอามาให้ขวัวถ้าเรามีสติหน่อยเราก็ต้องว่าเออขอบคุณนะนะที่มาช่วยเราทําบุญโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายเลยแล้วผู้โสมก็บ่นเลยนะ ตัดแต่กล้วยไปไอ้ต้นกล้วยก็ไม่สาสางให้ทิ้งให้เป็นนั้นถ้าเรามีสติีต้องขอบคุณเขานะที่เขาทิ้งบุญมาให้เราเนี่ยให้เราสาสางทำบุญอย่ามีเงื่อนไขยังมีถูกมีผิดอยู่มันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญบุญกิริยาจิตไม่เป็นกุศลเลยนะ ผู้สูโสทุกท่านในศูนย์เนี่ยพ่อครูคาราวะเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนแม่เหมือนป้านนะอาอาพวกไม่สบายพ่อครูก็เงียหูฟังและดีทุกคนไม่มีใครไม่ดีบังเอิญว่ามันไปนติดดีคนละอย่างงานนี้ที่ถามพวกครูไม่มีใครผิดสักคนหนึ่งไม่มีใครผิด แต่กิเลสมันไม่พอใจเท่านั้นเองไม่มีใครผิดนะทุกคนไม่ได้ขี้เหนียวอุตส่าห์ปลูกดูแลลดน้ำแล้วพอได้มาไม่ได้พกขา้าวห่อคนเดียวก็แบ่งคนอื่นเขากินด้วยเจตนาดีแต่คนที่เขาถือมีดเห็นอะไรขวางหน้ากูตัดหมดเอาไปให้พระแขหมดเนี่ยอันนี้ก็เจตนาดีไม่มีใครไม่ดีสักคนหนึ่ง แต่เราเกิดปกิยาเกิดความรู้สึกไม่ดีนะ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเราทั้งสองคนเวียงทิ้งทำบุญแล้วให้มันเป็นบุญทำบุญแล้วมีเงื่อนไขว่าฉันจะให้คนนี้คนนั้นฉันถึงจะดีใจอันนั้นเป็นแค่บุญกิริยาไม่ใช่บุญกุศลจิตไม่เป็นกุศลเลยนะต้องฝึกนะ อุตส่าห์มาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็ให้มันเต็มร้อยสี่เห็นไหมอันนี้มันสอนเรานะนะทาให้เราเห็นเราชัดขึ้นเลยทําบุญทั้งเยอะแยะก็ทําเลยแต่พอเรื่องอย่างนี้เอคุณไม่า ร, ารู้กาลเทศะทำไมไม่มีมารยาทเลยอะไรเนี่ยเนี่ ย, เ, ยเห็นไหมเราต้องเสียเวลาไปคิดอีกทาให้จิตเรามัวหมองทําไม ถ้ายกมือเนุ้มธนาสาธุเลยเห็นไหมเขาช่วยเราเอาสิ่งที่เราสร้างมาไปทำบุญทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญบุญคือจาคะคือสลัดออกแต่ตอนนี้เรายังมีทิฏฐิมาณะไงถ้าตัดหน้าบ้านฉันเนี่ยเธอตัดให้ฉันเห็นเนี่ยแล้วเธอไม่ขออนุญาตฉันฉันก็ไม่พอใจ แต่ถ้าไปตัดที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ของฉันฉันก็เฉยมันยังมีของฉันอยู่ไงวันนั้นพ่อครูเนี่ยอาทิตย์แล้วพ่อครูคุณเรื่องนี้พ่อครูไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่บังเอิญว่าเอ้มันไปชนพ่อครูไม่รู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าเออคนนั้นไปตัดคนนี้ไม่พอใจากายกมีเรื่องนี้เล่าให้พ่อครูฟังเองนะว่ามีเรื่องมีลาวกันแบบนี้่นะพ่อครูไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแต่จิตพ่อครูไม่ได้รับขึ้นเท่านั้นเอง มันได้รับขึ้นว่าขึ้นตอนนี้เป็นอย่างนี้มันก็พูดธรรมะกว้างๆบางเอิญถ้าใครชนนั้นนะต้องดีใจนะเพราะเราเห็นกิเลสเราแล้วไงความไม่พอใจเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดที่ใจเขาดับมันอยู่ที่นั่นไม่ใช่ไปดับที่เป็นพ่อเธอเป็นพ่อฉันแล้วยิ่งถ้าเรามีสติเร็วปุ๊บถึงก็จะทําผิดก็ช่างแม้คนคนนั้นมีเจตนาก็ช่าง แล้วต้องรีบให้อภัยไงเราก็ได้บุญเต็มเต็มแล้วไงอุตสาหปูกต้นไม้ปลูกกล้วยนะดูแลมันก็เพื่อจะไปทําบุญไงพอเขาทาผิดใจเราเนี่ยเราก็ให้อภัยมันเนี่ยได้บุญเต็มที่เลยไม่ต้องรดน้ําด้วยเห็นไหมให้อภัยทานอาภัยทานเนี่ยเป็นบุญอย่างยิ่งเราก็ไม่ต้องแบกไอ้ความไม่พอใจเนี่ยข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามภพข้ามชาติไง สิ่งดีๆเราก็มีเยอะแล้วมันดีมาเก้าสิบแล้วนี่ให้มันเต็มร้อยได้ไหมเอาเป็นว่างานนี้สรุปว่าไม่มีใครผิดสักคนหนึ่งไม่มีใครเป็นคนไม่ดีสักคนหนึ่งดีหมดเพราะเรามีเจตนาดีแต่กิเลสมันไม่ยอมเท่านั้นเองจัดการมันซะไอ้กิเลนนั่นน่ะอย่าสนองมันแต่จัดการไม่ใช่ฆ่ามันทิ้ง ให้รู้เท่าทันมันเห็นไหมมันหลอกให้เราโกรธมันหลอกให้เราเสียใจแทนที่ว่าได้บุญแล้วไงก็เอาสิ่งที่เราดูแลเนี่ยไปทําบุญแล้วไงก็ได้บุญแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าแทนที่จะบุญร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซนพอรู้สึกไม่พอใจปุ๊บเหลืออยู่ห้าสิบแต่หลังจากฟังพ่อครูพูดแล้วเนี่ยยังไม่สายนะ ถ้ า, าภัยปุ๊บเหลืออยู่ห้าสิบอาภัยปุ๊บบวกอีกร้อยหนึ่งได้เป็นร้อยห้าสิบมากกว่าเก่าผ่านไปคือบทเรียนไม่มีใครผิดทุกคนทำดีหมดนะพาะครูเสาที่แรกพูดกลางๆพาอเห็นนะบ้านบางหลังเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีเวลาดูแล เขาก็ใช้เงินเขาก็คิดว่าเขาทำบุญละ่ะก็ไปจ้างคนที่นี่ไปดูแลพิเศษแล้วบ้านหลังอื่นเรียกเขาไปบอกกูไม่มีเวลามึงเอาเงินมาให้กูมันดีไหมแล้วไปบ่มพ่อให้คนที่นี่ถ้างเงินนะกูก็ทำถ้าไม่มีเงินกูก็ไม่ทำเห็นไหมละ่ะเพราะกูถึงเตือนบอกว่าอย่าไปหลงคิดว่าบ้านกูกูทำดีดีบ้านคนอื่นกูไม่เกี่ยวแล้วก็ติดบ้านกูแล้ ว, ลวก็สร้างกรรมหนักนะ เราเอาเงินซื้อคนเพราะเราการให้บ้านเราสวยบ้านเราสะอาดคนเดียวคนอื่นช่างมันถ้าบ้านคนอื่นเขาเปื้อนเกิดมีไวรัสอะไรที่เขาประกาศทุกวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะรอดเราอยู่ในศูนย์เนี่ยพวกครูถึงเตือนว่าต้องฝึกไม่มีบ้านใครศูนย์นี้ก็เหมือนกันพวกครูไม่มีสิทธิ์ในที่ศูนย์เนี่ยเหมือนกัน ใครเอามันไปก็ไม่ได้ไม่ใช่ของใครแต่ช่วงที่เราอาศัยเขาอยู่เนี่ยเราต้องฝึกนะฝึกปล่อยวางกิเลสเราลดละเลิกเพราะกลัวอุตส่าห์หนีมาขนาดนี้แล้วเราจะไปแข่งกันมั่งแข่งกันมีก็เราหนีตัวนั้นน่ะมันทุกข์มากไงมาอยู่ที่นี่นี่เอาละทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่าไปหลวงว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกนะ ต้องแก้ไขลดละเลิกไปเรื่อยๆจนเราไม่มีอคติกับใครจริงๆจนไม่มีแยกว่าบ้านเธอบ้านฉันมีแต่ที่อยู่อาศัยนะแล้วปลูกเพื่อทำบุญแล้วไงมีคนเอาไปทำบุญแล้วทำไมไม่ดีใจเพราะมันขัดใจฉันกิเลสบอกไม่พอใจนะถ้าเรามีสติปุ๊บ ยกมือท่วมหัวอมุทนาสาธุด้วยเอ<ร>อเอาไปแล้วยังไม่ว่าอะไรยังทิ้งสมมว่ากล้วยเราตัดแล้วนี่เดี๋ยวก็ทิ้งให้มันเน่าตายอย่างมันทิ้งภาระให้ฉันอีกเห็นไหมละ่ะก็เป็นเงื่อนไขไงเขาทิ้งบุญมาให้เราเรารีดทำสินี่แหละเราติดบ่วงแล้วติดบ่วงอีกไง ก็ดีมากนะมาถามอย่างนี้มีอะไรเรามาคุยกันก็พรอครูก็บอกว่าอยากให้พ่อครูแสดงธรรมจะได้เข้าใจนะก็แสดงแล้วว่าไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วทุกคนมีเจตนาดีด้วยกันทั้งหมดนะแต่กิเลมันไม่ยอมเราปฏิบัติธรรมเพื่อรู้เท่าทันกิเลนใช่ไหมเขาทำให้เราเห็นกิเลตัวเองถ้าเป็นพ่อครูนะเผลอ คิดไม่ดีแล้วเผลอพูดไม่ดีแล้วเนี่ยพอมีสติปุ๊บพอกูจะเอาธูปเทียนดอกไม้ไปกราบเขาขอโทษแล้วขอบคุณเขาด้วยที่เขาทําให้เราเห็นตัวเองนี่แหละกัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งพ ม, มจันทร์ต่างคนต่างเป็นกระจกซึ่งกันและกันแต่ถ้าพักูตั้งกติกานะหนึ่งสองสามสี่ห้าทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยที่เราอยู่ร่วมกันปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไง ปล่อยให้ทุกคนแสดงความเป็นของเขาออกมาให้มันชัดๆแล้วมีอะไรเราก็มานั่งคุยกันนะและคคำถามนี้ก็ดีมากก็ขอบคุณท่านนบุโสนะมีอะไรก็เปิดออกมาอย่าไปเก็บไว้ในใส่ใจมันนักบุญก็ทำแล้วเนี่ยทำมาเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้มันเต็มร้อยเถอะและวคนที่เขาเราไม่พอใจเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชั่ว้ายอะไร มีบางคนเตือนพ่อครูด้วยนะเตือนบอกเป็นเตือนเขาหน่อยหนึ่งนะทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเห็นไหมเขายังชมด้วยแต่ชมแบบเป็นห่วงไงก็ไม่ใช่หน้าที่เขาสักหน่อยหนึ่งเขาไม่มีเงินเดือนว่าต้องไปทําอย่างนั้นอ่ะนะเขาก็เจตนาตรูสึกบางครั้งว่าเขาเจตนาตรู้สึกแต่บังเอิญว่าเอาละเขาเป็นคนซึว่าเขาเป็นคนลืมลืมคิดเรื่องกาละเทสนะเนาะแล้วก็รีบให้อภัยสิ ถ้าไม่มีคนผิดเราจะให้อภัยใครนะถ้าถามพระครูแล้วเนี่ยพระครูไม่สาวว่าใครถูกใครผิดไม่มีถ้าเรารู้สึกว่าเขาผิดเนี่ยถ้าคนฉลาดนะต้องรีบให้อภัยเลยใครให้อภัยก่อนคนนั้นได้เต็มๆเลยอภัยทานเนี่ยเป็นที่สุดแห่งบุญนะหรืมมอมันเถอะนี่แหละสิ่งที่เราต้องเวี่ยงทิ้ง